วันนี้มีพระเยอะพระผู้ใหญ่หลายองค์หลวงพ่อคุยกับพวกเราได้ไม่นานต้องแบ่งเวลาให้พระบ้างพวกเราฟังธรรมะมามากแล้วถึงเวลาจะต้องปฏิบัติด้วยตัวเราเอง ไม่มีใครช่วยเราให้บรรลุมรรคผลได้ต้องช่วยตัวเองถือศีลห้าข้อไว้ห้าข้อพอสำคัญที่สุดศีลห้าทุกวันแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติจะแน่สักแค่ไหนก็ต้องทำในรูปแบบต้องมีอารมณ์กรรมาฐานไว้สักอย่างหนึ่งสองอย่าง ไม่เกินสามอย่างบางคนก็หายใจบางคนก็พุโทโธบางคนหายใจควบกับพุโทโธบางคนแค่นี้จิตยังไม่อยู่ก็ทํากรรมฐานที่มันหยาบขึ้นไปเห็นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับสองไย่างงี้ก็ได้แต่กรรมฐานอย่ามีเยอะเกินไปใจจะฟุ้งซ่าน จับจดจับจดมันจะจับไม่ได้ไม่ใช่จับได้เรียนให้ได้จิตตัวเองก่อนให้ได้จิตของเราก่อนเพราะจิตนั้นเป็นจุดสําคัญของการปฏิบัติจิตจะชั่วหรือจะดีเราจะชั่วหรือรจะดีอยู่ที่จิตจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่จิต จะบรรลุมรรคผลหรือจะไปลงนรกก็เพราะจิตจิตเป็นตัวจำแนกเรานะด้วยกรรมจิตทำกรรมแบบไหนก็พาเราไปทางนั้นหลวงปู่มั่นสอนว่าได้จิตคือได้ธรรมะเสียจิตไปก็เสียธรรมะไปฝึกให้ได้จิตมาจิตมันชอบหนีไปเที่ยว หนีไปดูแล้วก็ลืมตัวเองหนีไปฟังแล้วก็ลืมตัวเองหนีไปดมกลิน่นนี้ไปลิ้มรสหนีไปรู้สัมผัสที่กายแล้วก็ลืมตัวเองหนีไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจแล้วก็ลืมตัวเองกระทั่งเวลาทํากรรมาฐานบางคนที่ทำนะรู้ลมหายใจนะจิตถลําลงไปอยู่ที่ลมหายใจมันก็ไม่ตั้งมั่นมันก็ลืมตัวเองเหมือนกันเปย์ชัดอยู่ที่ลมนั้น ไม่ได้ชัดอยู่ที่จิตแต่พูดถึงคาว่าชัดอยู่ที่จิตจะต้องระวังอย่าให้ชัดเกินไปจงใจรับความรู้สึกตัวแรงเกินไปก็ใช้ไม่ได้รู้สึกตัวแรงเกินไปก็ใช้ไม่ได้เนี่ยทำอย่างเนี้ยมันเฉยๆยนะไม่เอา แค่จิตที่ดีที่สุดที่จิตธรรมดาที่สุดเราอย่าไปวาดภาพครูบาอาจารย์หรืออย่างพระละหันอะไรเงี้ยว่าจิตท่านผิดธรรมชาติธรรมดาหนะลวงปูด่ดูนท่านเคยบอกพระละหันนะ่ธรรมดาที่สุดพวกเราต่างหากเราที่ไม่ธรรมดาเพรพวกเราถูกกิเลสลาดไปมันเลยไม่ธรรมดาจิตพระละหันเป็นจิตธรรมดานะั่นเอง จิตของเราไม่ธรรมดาตกอยู่ใต้กำนาจของกิเลสชักพาไปทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ได้จิตก็ได้ธรรมะนะจิตหายไปแล้วธรรมะก็หายไปสิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็มีทั้งอกุศลอกุศลละธรมลละธรมเกิดที่จิตกุศลธรรมเกิดที่จิตมรรคผลเกิดทีนะ่จิตลงมาที่จิต ท, ทั้งนั้นนะ รูบาอาจารย์ถึงบอกได้จิตเจอได้ทำไม่ได้จิตจิตหายไปไม่ได้ทำนี่จิตมันมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือมันไหลไปตามความเคยชินพวกเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเคยชินที่จะหลงเคยชินที่จะลืมจิตตัวเองอย่างระหว่างจิตตัวเรากับของข้างนอกเนี่ยเราจะสนใจของข้างนอกมากกว่า อย่างเวลาเราเห็นผู้หญิงสวยๆเดินมานี่ความสนใจของเราไปอยู่ที่ผู้หญิงสวยนะั้นเราไม่เห็นว่าใจกำลังไปชอบเขาใจวิ่งไปอยู่ที่เขาเราไม่เห็นจิตของตัวเองเวลาเราเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจเรากลัวใจเราก็วิ่งไปอยู่กับหมาไม่เห็นว่าใจตัวเองวิ่งไปกลัวหมาบ้าอยู่ หรือได้ยินเสียงได้ยินเสียงเพลงแวดแว้วมา mm. เพลงนี้ชอบนะตั้งใจฟังจิตวิ่งไปอยู่ที่เสียงวิ่งตามเสียงไปเคยรู้สึกไหมจิตมันวิ่งตามเสียงไปได้มันไม่เห็นว่าจิตกำลังวิ่งตามเสียงไปแม้มันลาทิ้งจิตตัวเองตลอดเลยมันสนใจในรูปสนใจในเสียงเวลาได้กลิ่นอะไรแปลก รู้สึกไหมไม่สนใจจมูกของตัวเองหรอกแต่สนใจว่ามันกลิ่นอะไรสนใจของข้างนอกเราสนใจรูปเสียงกลิ่นรสปถะคือสิ่งที่สัมผัส ร, ร่างกายธรรมารมคือสิ่งที่รู้ด้วยใจล้วสนใจสิ่งเหล่านี้มากกว่าจะสนใจร่างกายและจิตใจของตนเอง เพราะงั้นเราไม่คุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวแต่เราคุ้นเคยที่จะลืมตัวเองนะจะลืมตัวเองลืมกายลืมใจตลอดเวลาขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราเราโกรธเราไม่เห็นว่าใจมันโกรธเรามวมต่ดูว่ามันไปไหนแล้วเดี๋ยวจะไปขับปาดคืนต้องแก้แค้นมันให้ได้ถ้าคราวนี้ตามมันไม่ทันจำเบอร์ไว้จำเลขทะเบียน เจอเลขทะเบียนนี้เมื่อไหร่ต้องปาดมันให้ได้นะไม่งั้นชีวิตนี้ไม่สมหวังนี่พวกอาฆาตแค้นไม่สนใจของข้างนอกไม่สนใจตัวเองที่จริงโกรธขึ้นมาดูลงมาที่ใจที่โกรธนี้ก็หมดเรื่องแล้วความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชีวิตเราที่ดิ้นรนวุ่นวายเนี้ย เอาข้าจริงแล้วมันดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์แค่นี้เองถ้าเราคอยดูนะความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเนี่ยเห็นความจริงก็ไม่รู้จะดิ้นรนไปหาอะไรือใจมันก็ไม่ต้องดิ้นมันรู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวใจก็ไม่ได้อยากได้ความสุขไม่ได้เกลียดความทุกข์ใจเข้าสู่ความเป็นกลาง ต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วต่อทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตใจเข้าสู่ความเป็นกลางจิตใจก็ไม่ดิ้นรนปรุงแต่งตอนะเข้าถึงความสงบสันติในจิตใจของเราค่อยๆฝึกไปนะแต่ตรงนี้ธรรมะนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะยังมุ่งมาที่จิตใจที่สงบสันติถ้าจะถึงพระนิพพานแท้ๆเนี่ยต้องปล่อยวางจิตอีกทีหนึ่ง ยังรักษาจิตอยู่ยังสงวนจิตไว้ยังไม่จบหรอกนี่ธรรมะมันมีหลายขั้นหลายตอนพวกเราเนี้ยฝึกให้ได้จิตมาก่อนแล้วผ่านจิตเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเห็นกายตัวรูปไม่ใช่เราเห็นจิตใจนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุดท้ายจะมาเห็นจิต อย่างแท้จริงนะว่าตัวจิตผู้รู้ตัวผู้รู้ผู้วิเศษวิโสที่เราสร้างขึ้นมาสุดท้ายมันก็ยังเป็นตัวทุกข์อยู่ถ้าเห็นจนถึงตัวจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์นะก็จะปล่อยวางแล้วจุดที่แตกหักของการปฏิบัติอยู่ตรงที่เห็นจิตผู้รู้เป็นไตรลักษณ์หลวงตามหาบัวท่านเรียกจิตผู้รู้ว่าจิตอวิชาวชา this i อ j i t ชา ทำลายตัวผู้รู้ลงไปด้วยปัญญาอย่างยิ่งคือเห็นอริยสัจสี่จะรู้เลยตัวจิตนี้ก็คือตัวทุกข์ไมมเรียกว่ารู้ทุกข์ละรู้ทุกข์แจมแจ้งก็ละสมุ ท, ทยัยอันตโนมัติแจ้งนิโรธคือถึงพระนิพพานอันตโนมัติอริยมรรคเกิดอันตโนมัติขึ้นมาฟังแล้วยากจริงๆไม่ยากค่อยๆทำไป อย่างถ้าเราไม่เคยเรียนหนังสือนะเราก็คิดว่าจบปริญญาเอกเนี่มันยากมากเราไม่ต้องไคิดถึงปริญญาเอกเราก็เรียนตั้งแต่ป .1 ไปเียนตั้งแต่ปถมค่อยๆเรียนไปความรู้ความเข้าใจาก็มากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายเรียนไปเรืเร่อยๆก็ถึงปริญญาเอกเห็นการปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันเริ่มแต่ต่อแต่ค่อยๆเรียนไปทํายังไงจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัว พอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วทำยังไงจิตจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิต ใ, ใจได้เห็นความจริงของรูปธรรมเห็นความจริงของนามธรรมสุดท้ายเห็นความจริงของจิตถ้าเห็นความจริงของจิตหลกงปูดด่ดูลเรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรคนี่ท่านพูดแบบสงวนท่าทีคนใน ห, หาเรื่องท่าน ถ้าจะพูดให้เต็มที่นะก็ต้องบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตะมักไม่ใช่มักเฉยๆขั้นแตกหักมันลงตรงนี้เองปล่อยวางจิตสะดวงเดียวก็ปล่อยขันห้าทั้งหมดก็ขันห้าทั้งหมดเกิดจากจิตดวงเดียวนี้เองปล่อยขันห้าไปได้ก็คือปล่อยโลกทั้งโลกรโลกทั้งโลกมันก็มีแต่รูปธรรมกับนามธรรมาทเท่านี้เองเงินแตกหักกันลงที่จิตนี้แหละ ขั้นแรกให้มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวขั้นต่อมาพาจิตให้เรียนรู้ความจริงของกายของใจขั้นต่อมารอบรู้ในความจริงของตัวจิตเองเนี่ยปัญญาของเราจะเป็นขั้นขันขั้นไปถ้ารอบรู้ในตัวจิตเองแล้วก็ที่สุดของทุกอยู่ตรงนั้นแหละแตกหักกันลงตรงนั้นนะ วัตจักที่หมุนอยู่กลางหน้าอกเราเนี่ยถล่มลงตรงนั้นเลยตรงที่รู้ทันจิตจิตนี้คือตัวทุกข์งันตอนนี้ควรจะทําอะไรก่อนตอนนี้ควรจะให้มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนจุดตั้งต้นของการปฏิบัติคือการมีจิตใจอยู่กับตัวเอง ให้จิตใจอยู่ในนี้อย่าหนีไปไหนนะรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจของตัวเราเองหนีออกไปข้างนอกห น, น, นีไปข้างนอกหนีไปทางไหนหนีไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจนี่หนี่อกไปข้างนอกหลวงปู่ดูเนี่จิตออกนอกที่จริงจิตออกนอกก็คอยออกไปด้วยอำนาจของตัญหาหกตัวเรียกว่ารูปปัญหา อยากเห็นรูปสัทธตัณหาอยากได้ยินเสียงคันธัตันหาอยากได้กลิ่นรัสตันหาอยากได้รส พ, ทพุทธภัตตาณหาอยากสัมผัสทางร่างกายธรรมตันหาอยากได้อารมณ์ทางใจที่ถูกอกถูกใจอยากได้ของข้างนอกอายตนาภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสพุธภัตมารมนั่นให้จิตมันย้อนกลับเข้ามา เรียนรู้ตัวเองนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวภาษาไทยมีคำนี้อยู่คำว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นคำที่ดีมากจิตใจของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวร่องเร่ร่องลอยออกไปเรื่อยๆเพราะฉนั้นะทำยังไงจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวพุทโธไว้หายใจไว้แล้วก็คอยรู้ทันจิตพุทโธไปหายใจไปจิตมันหนีไปที่อื่นรู้ทันมันหนีไปคิดรู้ทัน มันหนีไปดูรู้ทันมันหนีไปฟังรู้ทันนะมันหนีไปไหนก็รู้ไว้หนีไปอยู่กับลมหายใจก็รู้ทันมันห น, ะ น, นีไปอยู่กับพุทธโธก็รู้ทันมันรวมความแล้วก็คือรู้ทันจิตไปหัดรู้ทันจิตบ่อยๆต่อไปจิตใจก็อยู่กันเนืกับตัวไม่หนีไปไหนะพออยู่กันเนืกับตัวแล้วก็น้อมจิตอันนี้แหละไปเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของร่างกายตัวรูปนี้ ดูลงไปตัวรูปมีแต่ตัวทุกขนะ์เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราตัวเจตสิกคือความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายไม่เที่ ย, ง ไ, ย ง, นะงไม่ใช่ตัวเราตัวจิตสุดท้ายคือเข้าถึงตัวจิตตัวจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเนี่ยเฝ้าดูเฝ้าดูลงไปนะมีขั้นมีตอนของการปฏิบัติขั้นแรก เอาจิตให้ได้ก่อนไม่ได้จิตไม่ได้ทำนั้นบทเรียนก่อนที่จะเอาจิตไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามนะบทเรียนอันนี้ต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าจิตศิกขาเสก่อนศีลสิกขาเรียนเพื่อให้มีศีลจิตศิกขาเรียนเพื่อให้ได้จิตที่พร้อมสำหรับการเจริญปัญญานะคือจิตผู้รู้นั่นเอง ลก็ปัญญาสิกขาใช้จิตผู้รู้ไปเรียนรู้ความจริงของร่างกายของความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายของจิตนั่นคือการเจริญปัญญามีหลายระดับค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปขั้นแรกให้จิตใจอยู่กับตัวเองก่อนฝึกด้วยการทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วพอจิตหนีไปรู้ทันจิตหนีแล้วรู้ทันเวลาเราทำกรรมฐานจิตจะหนีได้สองแบบ หนึ่งหนีไปคิดเรื่องอื่นสองหนีไปแช่อยู่ในอารมณ์กรรมฐานเช่นพุโทโธจิตไปจมอยู่กับพุโทโธหายใจจิตไปจมอยู่กับลมหายใจดูท้องฟองยุบจิตไปจมอยู่ที่ท้องนะขยับมือจิตไหลไปอยู่ที่มือนะอะไรเนี้ยจิตไปจมอยู่กับตัวอารมณ์กรรมฐานก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันรู้จักคําว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมคำนี้ดีที่สุดเลยนะ ใจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวฟังแล้วไม่น่ากลัวไม่สวิงสบายจะบอกว่าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฟังแล้วน่ากลัวจริงๆมันคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักจิตใจที่ลืมเนื้อลืมตัวไหมมีกายลืมกายมีใจลืมใจนะัและจิตใจที่ไม่ใช่ผู้รู้เป็นผู้หลงนะมีกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจงั้นต้องฝึกให้ได้จิตที่เป็นคนรู้เสี ก, ก่อน เมื่อสามสิบปีก่อนผมพ่อเข้าไปเรียนยู่ครูบาอาจารย์นะตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบหกสิบปีก่อนหกสิบปีก่อนพอดีเลยหกสิบปีเข้าไปเรียนสมถะกับท่านพ่อรีวัโสคารามหกสิบปีมาแล้วนะแปบ๊บเดียวชลาแล้ว <laughs> แป๊บเดียวหกสิบปีผันมา เราจอนอายุยี่สิบเกาถึงไปเรียนปีสองห้าไปเรียนกับหลวงปุดุลไปเรียนการเจริญปัญญาดูจิตใจตั้งแต่นั้นก็ดูมาเรื่อยๆดูอยู่ไม่นานหรอก เ, เข้าใจจิตเข้าใจเป็นลำดับลาดับไปนะเมื่อตอนก็เข้าใจจิตไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีเบื้องกลางก็เข้าใจว่า อยากเมื่อไหร่นะมีอยากมียึดเื่อมีทุกข์ไม่อยากไม่ยึดก็มกไม่ทุกข์เห็นอย่างนี้จิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์ภาวนาไปไเรนะื่อยๆวันหนึ่งก็จะพบเองจิตจะอยากหรือจิตจะไม่อยากจิตก็คือตัวทุกข์นั่นแหละความรู้ความเข้าใจนะเป็นชั้นชั้นยื่นไปมันไม่ได้ยากเกินไปเราเรียนไปตามลําดับ เรียนไปตามลำดับขั้นแรกเรียนให้ได้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูลงไปดูกายได้ดูกายดูความรู้สึกได้ดูความรู้สึกไปแล้วแต่ความถนัดอันไหนก็ได้เหมือนกันหมดแหละเพราะสุดท้ายจะต้องลงมาที่จิตดูกายไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เข้าที่จิตจะดูความรู้สึกสุดท้ายก็เข้ามาที่จิตเพราะอะไรพระจิตเป็นคนดูก็เข้ามาที่จิตวางจิตลงไปได้ก็พ้นัตรงนั้น พ้นทุกไม่ใช่พ้นอะไรหรอกพ้ทุกไปทําเอานะถือศีลห้าไว้แล้วก็พยายามฝึกใจให้อยู่กับเนื้อก็ตัววิธีฝึกก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตใจมันหนีไปที่อื่นมันลืมเนื้อลืมตัวหรือมันหนีไปจมอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแค่นี้แหละไปฝึกอย่างเนี้ยให้มากๆ จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วคราวนี้กรรมฐานในขั้นสุดท้ายการเจริญวิปัสสนาการทําบัญญาไม่ใช่เรื่องยากยากตรงที่ฝึกจิตให้ถูกนี่แหละหลวงพ่อฝึกได้ตั้งแต่เด็กนะฝึกได้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ก่อนจะเจอหลวงพู่ดูลยจิตเป็นผู้รู้อยู่แล้วร่างกายกับใจนะี่คนละส่วนกันแต่เราไม่รู้วิธีที่จะไปต่อจเจอหลวงพู่ดูลถึงรู้วิธีดูมันทํางาน งั้นเราก็รู้ตัวอยู่เฉยๆใช่ไม่ได้ครูบาอาจารย์หลวงปู่สิ์เรียกหลวเพราะว่าผู้รู้ตั้งแต่หลวงพ่อเป็นโยมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะรผู้รู้ท่านไม่รู้จักชื่อท่านเรียกเป็นฉาย า, าผู้รู้ผู้รู้อะไรผู้รู้ตัวไม่ใช่รู้อย่างอื่นหรอกผู้รู้นื้รู้ตัวอยู่ใจไม่หลงไปแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ชํานาญในการเจริญปัญญาแค่รู้ตัวอยู่เฉยๆ เาใครจะส่งันบ้านมีเวลาจำกัดพวกที่อยู่วัดเนี่ยพรุ่งนี้ยังอยู่ไหมเอาไปก่อนใครที่มาจากที่ไกลๆขอไกลๆ ก, ก่อนนะพวกใกล้ๆวันหลังมาเรียนใหม่เดี๋ยวเรามาคอยดูนะว่าไอ้ไกลของเขาไกลแค่ไหนเอาว่ามา คุณจีนเหรอครับนมัสกัดล้นโพคาเขาจะรู้ว่าตอนนี้จะตที่ตั้งมั่นเขาอยู่ขึ้นหรือเปล่าตั้งมั่นได้ดีขึ้นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันต้องตั้งโดยไม่เจตนาตั้งถ้าเจตนาตั้งจิตจะแข็งแข็งนะจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่ใช้ไม่ได้ตอนนี้ตั้งมั่นได้ดีขึ้นนะเหลือความจงใจประคับประคองจิตอยู่นิดหน่อยยังมีอยู่นิดหนึ่งเนี่ยใจมันยังนิ่งๆอยู่นิดนึง ปล่อยให้มันเคลื่อนไหวเลยคะก็ะดูความเปลี่ยนแปลงของมันดีขึ้ น, น, นปปคนนี้เ า, าต้องการห ล, ลุดพ้นก็ดีที่สุดแล้วละต้องการมีฤทธิ์มี ความสามารถไปช่วยคนอื่นมันก็ดีเหมือนกันแต่มันยังไม่ดีมากครูบาอาจารย์สอนบอกฝึกตัวเองให้ดีก่อนนะแล้วค่อยไปฝึกคนอื่นต่อตอนนี้จิตมันไม่เข้าฐานจิตมันกระจายไปอยู่ข้างนอกพนะยายามฝึกจิตใจให้มันย้อนกลับเข้ามาดูในกายในใจของเราเองรู้สึกไหมจิตมันอยู่ข้างนอกมันกว้างๆออกไปข้างนอกนะตัวนั้นไม่ดีดอกสมาธิอย่างนั้น ฝึกกลับข้างเลยย้อนกลับเข้ามาในกายในใจของเรานี้ค่อยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจหนีไปคิดอะไรเงี้ยคอยรู้สึกนะรู้ทันกายรู้ทันใจตอนนี้ใจหนีไปคิดละรู้ว่าอ้อหนีไปคิดแล้วมันจะกลับเข้ามาที่ตัวเองทันทีที่รู้ว่าหลงไปคิดเนี่ยจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะ ต, ตอนตอนเนี้หลงไปคิดอีกแล้ว แต่นนี้ประคองจิตให้นิ่งอย่าประคองจิตให้นิ่งๆปล่อยให้จิตทํางานให้เป็นธรรมชาติเนี่ยจิตมันไหลไปคิดอีกรอบหนึ่งละรู้ทันว่าหนีไปคิดให้รู้ทันจิตหนีไปแล้วพอรู้จิตหนีแล้วรู้รรแล้วสมาธิที่ดีคือสมาธิที่จิตใจอยู่กับตัวเองจะเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็เรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจไปเรื่อยๆ วันใดที่หมดความยึดถือกายก็จะไม่ทุกข์เพราะร่างกายวันไหนหมดความยึดถือจิตก็จะไม่ทุกข์เพราะจิตใจอีกต่อไปใครยๆฝึกไปไม่ทุกข์เพราะจิตก็คือไม่ทุกข์ด้วยอำนาจตัณหานั่นเอาาง่ีท สติเกิดขึ้นอดัลลุมะเดี๋ยววันบางทีมามีสติแล้วก็คันที่เลี้ยวอาเจมบัวอ า, อาขาวเวลาดู้นจะทัลังบายดูเขาอยรู้ว่าตอนนี้คอยดิคันลาบล่าโอคาดิคันแล้วลอย่างตอนเนี้ยจิตนี้ออกมาอยู่ข้างนอกและนะอย่างตอนเนี้ยเพ่งจิตละมันจะนิ่งๆปล่อยให้จิตเป็นธรรมชาตินะจิตเคลื่อนไปก็รู้ เข้าไปแทรกแซงเข้าไปบังคับจิตให้นิ่งก็รู้แต่ที่อาจารย์ฝึกมาก็ดีแล้วล่ะอยู่ๆจะให้มันดีร้อยเอร์เซ็นมันก็ไม่ได้หรอกนะก็ค่อยๆฝึกมันก็เจริญขึ้นเรื่อยๆมองเห็นไหมใจมันขยับไปขยับมามองออกไหมหลงไปคิดซะอีก <laughs> เออตรงนี้เห็นละ เมื่อกี้มองเห็นแล้วว่าจิตมันลงไปคิดพอเรารู้ว่าจิตลงไปคิดนะจิตรู้มันก็เกิดขึ้นมันดะรู้สึกเหมือนเราตื่นขึ้นมาเปิดสวิตจากข้างในเราตื่นขึ้นมาเองพยายามฝึกไปเรื่อยๆนะที่ฝึกอยู่ก็ดีขึ้นแล้วล่ะค่อยๆฝึกอีกรุ่งพุ๊กเขา ม, มีอนนึงค่ะเขอที่สงเขาเวลาทารูปไปเขาไม่ค่อยเห็น จิตจะไหลไปไหนมาแต่ว่าเขาเห็นสุดสุดทุกที่ชัวว่าว่ายอยู่ที่นั่นเหรเนยงนี้ได้ไหมคะ่ะได้แต่ว่าจิตอย่าไปจมลงไปที่กลางหน้าอกนะเห็นมันวนเวียนเกิดดับอยู่กลางหน้าอกเนี้ใช้ได้ดูอย่างนั้นก็ได้แต่อย่าให้จิตจมลงไปจิตเป็นคนดูสบายๆแล้วก็ไม่ดึงจิตเอาไว้ด้วยนะไม่ใช่กลัวจิตจมลงไปก็ไปดึงจิตเอาไว้ข้างบนก็ไม่ต้องดูอย่างนั้นก็ได้ แบบ น, นมาชการหลวงพ่อคะ่ะคนไหนเสื้อสีขาวเสื้อขาวเหรอโอเคคำถามคือเขาจะสามารถพบกับความอิสระได้ยังไงคะรู้สึกว่าเขาติดกับอยู่ในจิตใจตัวเองในอารมณ์ของตัวเองเพราะว่าพ่อแม่ของเขาทำร้ายตัวเองอะคะ่ะต้องการสิ่งที่ดีที่สุดแ ล, ะละ้วนละ่ะ ศา ส, สนาพุทธเนี่ยถ้าเราเรียนไปถึงที่สุดแล้วสิ่งที่เราได้มาคืออิสรภาพคนทั่วไปไม่ค่อยมีอิสระภาพบางทีถูกคนอื่นบังคับถูกสิ่งอื่นบังคับถูกสถานาการณ์บังคับแต่นั้นยังเป็นของข้างนอกมันยังมีเจ้านายลึกลับในตัวเราในใจเราเองเนี่ยบังคับเราตลอดเวลาคือตัวความอยากตัวตัณหา เดี๋ยวมันก็สั่งเราให้วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดนะวิ่งไปหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์เจ้านายคนนี้มันสั่งงานเราทั้งวันทั้งคืนนะเราะงั้นมันร้ายยิ่งกว่าเจ้านายข้างนอกหรือว่าคนที่ควบคุมเราจากข้างนอกอย่างพ่อแม่ควบคุมเราเนียวันหนึ่งเราก็พ้นจากเขาได้แต่เจ้านายลึกรับในใจของเราคือตัวความอยากตัวตัณหาเนียมันอยู่กับเราตลอด ถ้าเมื่อไรเราเป็นอิสระจากตัวตันหามันสั่งเราไม่ได้อีกต่อไปเราจะพบอิสระภาพที่แท้จริงตัวตันหามันเกิดจากความไม่รู้ความไม่เข้าใจความจริงของร่างกายจิตใจอย่างเราไม่รู้ความจริงว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจไม่ยอมรับมันก็เกิดความอยากอยากให้ร่างกายอยู่นานๆมีความสุขมีความแข็งแรง ก็มีความอยากเกิดขึ้นพอมันไม่สมอยากมันก็ทุกข์มากนะหรือความจริงของจิตใจก็คือมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราดิ้นรนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้ความสุขแต่ความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรารู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาเรามาเรียนรู้ความจริงของจิตใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความดีความชั่วก็ชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างในใจเราเป็นของชั่วคราวถ้าเราเห็นได้อย่างนี้แล้วใจจะหมดความอยากเพราะความอยากทั้งหลายเนี่ยรวมลงมาแล้วก็คืออยากให้ร่างกายอยากให้จิตใจมีความสุขอยากให้ร่างกายอยากให้จิตใจไม่ทุกข์ความอยากมีอยู่เท่านี้เอง ถึงได้ดินน้นรนไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจไปทำกรรมฐานเนี่ยทำไปด้วยอานาจของความอยากทั้งสิ้นให้คอยพยายามมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจตัวเองบ่อยๆมันเข้าใจความจริงเมื่อไหร่ความอยากจะไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดก็คล้ายๆเราปลดแอกตัวเองพ้นจากความเ็นทาตของตัณหาได้ตัณหาเป็นเจ้านายที่ร้ายที่สุดเลยนะ มันสั่งงานเราทั้งวันสั่งให้เราไปทําอย่างนั้นสั่งให้เราทําอย่างนี้ทั้งวันแล้วมันเป็นเจ้านายที่ฉลาดมันสั่งงานเราโดยเราไม่รู้ว่าเราเป็นทาสเหมือนเราไม่เคยคิดที่จะเอาชนะตันหาเลยเราทําตามใจที่มันสั่งมันบอกว่าให้ไปหาของอร่อยกินเราก็วิ่งพล่านๆไปหาพอเราทําตอบสนองคําสั่งของมันมันจะโยนความสุขเล็กๆมาให้เราอันหนึ่งแล้วมันก็สั่งงานใหม่ให้เลย แต่ถ้าเมื่อไรเราไม่ทำตามที่มันสั่งมันจะลงโทษเราใจเราจะเต็มไปด้วยความทุกข์อยากเราไม่ได้อย่างอยากมันจะทุกข์เพื่อฉนันะตัวความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราเสียอิสระภาพนะเรียนรู้มันลงไปวิธีทำลายมันก็คือเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจให้มากๆพอรู้ความจริงแล้วต่อไปความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อความอยากไม่เกิดเนี่ยจิตใจจะมีอิสระภาพที่แท้จริง มันจะดำรงชีวิตด้วยเหตุผลไม่ใช่ดำรงชีวิตด้วยความอยากต้องฝึกอย่างนี้นะแล้วจะได้อิสระภาพดีนานๆจะมีใครถามถึงอิสระภาพสักทีส่วนใหญ่ถามทำไงจิตหนูจะสงบโอ้ยฟังแล้วเบื่อจิต ส, สงบเรื่องกะจิตเดียวจิตเป็นอิสระนั่นแหละสำคัญ แม่ชีภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วนะภาวนาใช้ได้เรียนรู้มันไปเรื่อยๆอย่าไปประคองจิตให้นิ่งเนี่ยขณะนี้ประคองแล้วดูออกไหมคือไม่แน่ใจว่ายังไม่เลิกประคองเลยขณะนี้กำลังประคองอยู่ต้องให้มันเป็นธรรมชาติใช่ตอนนี้รักษา นูก็กลัวว่าจะ ม, ะมีปัญหาว่าเราจะชอบเรียบร้อยเกินไปแล้วเราก็ออมีฟอร์รักษาไว้เรียบร้อยเกินไปตัวจริงซนกว่านี้เยอะเอาตัวจริงออกมาเราจะเรียนรู้ของจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปดัดแปลงอยากพูดหรืรู้ไหมเห็นค่ะเออนั่นแนหะมันอยากพูดมันก็คันคันขึ้นมากลางหน้าอกเนี่ยดันดันดันขึ้นม า, นนนนมารู้ลงไปอย่างนั้นแล้วจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วแต่ ว่าไคือหนูส่งกันบ้านในรอบปีนอกจากทำไปเรื่อยๆแล้วมีอะไรอีกนะคะหลวงพ่อก็สังเกตจิตใจไปอย่าให้มันติดนิ่งๆอย่าให้มันเป็นนิ่งสงบอยู่เฉยๆขอบพระคุณค่ะขออนุญาตให้แม่ชีท่านก่อนได้ไหมคะแม่ชีเต็มใจหรือเปล่า ไม่ใช่ไปบังคับเข้ามานะขอกบบราบมัดการกระค่ะแม่ฉีก็ต้องลดละการยึดถือในความคิดความเห็นซะเนาะ อ, อย่าเชื่อความเห็นของตัวเองเยอะคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆดูร่างกายนี้มันทำงานไปร่างกายนี้มันต้องแก่ร่างกายนี้มันต้องเจ็บร่างกายนี้มันต้องตาย จิตใจก็ต้องมีความทุกขบ้างมีความสุขบ้างเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูาอย่างนี้เรื่อยๆไปนะเป็นการเจริญปัญญาน ะ, ะให้จิตใจมันอยู่กับตัวเองไปเรื่อยๆอย่าให้จิตใจมันล่องลอยหนีไปที่อื่นซะนี่แหละแม่ชีไปฝึกอย่างที่บอกนี่แหละอา้าต่อไปใครละ่ะสาธุจักาแม่ชีปฏิบัติมาด้วยการดูกายดู จิตดูเวทนาจะครับหมูห่ตูต้งเยอะเลย <c oughs> ต้องมีจิตเป็นผู้ดูด้วยนะ <c oughs> ไม่งั้นมันจะดูก็ดูกายก็จมลงในกายดูเวทนาก็จมลงไปในเวทนาดูจิตก็จมลงไปในจิตจิตของไม่ชิมยังไม่ตั้งมั่นง <c oughs> ั้นเราทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งนะหายใจก็ได้พุโทโธก็ได้เดินจงกรมก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันวิ่งไปวิ่งมา ไปทําตัวนี้ให้ดีก่อนแล้วการเดินปัญญา จ, จะไม่ใช่เรื่องยา ก, กไม่งั้นใจมันฟุ้งซ่านด่วบไหมใ่มันฟุ้งซ่านมันช่างคิดดูออกเปล่านั่นแหละคอยรู้ทันอย่างนั้นรู้ทันใจเวลามันหลงไปมันไหลไปส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดของหนูบอกให้เลยไม่ต้องถามก็ได้เสียเวลาจิตหนูฟุ้งซ่านมาก นะพื้นจิตเลยฟุ้งเก่งมากเลยนะเพราะงั้นทำสมาธิไว้วิธีธรรมก็คือแทนที่จะปล่อยให้มันคิดสเป ส, สปะไปเรื่อยๆเนี่ยให้มันคิดพุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธพุทโธไปอย่างสบายใจนะแล้วพอจิตมันลืมพุโทโธมันหนีไปที่อื่นรู้ทันมันไปฝึกตัวนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาส่งกันบ้านจิตยังฟุ้งอยู่ทําอะไรไม่ได้หรอกแก้วนมะันสการค่ะ ดูดีอยู่รู้สึกเปล่าว่าจิตเราเปลี่ยนไปค่ะเออแต่อย่าประคองนะไม่ใช่รักษาอยาอยากให้ดีตลอดแล้วรักษาไว้เรื่อยๆไม่ดีนะอย่างนั้นปล่อยให้มันเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายดูออกไหมจิตนี้ไม่เคยคงที่เลย<ช>นะเปลี่ยนตลอดนะั่นแหละเรียนรู้อย่างนั้นนะ่ะ ครับนำปสบการหลวงพ่อครับอืมมาจากกระบวนครับอืมก็ฝึกโดยการดูจิตครับก็คำแนะนําจากหลวงพ่อครับดูจิตนะถ้าสมาธิเราไม่พอบางทีมันเหมือนดูอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ดูจริงใจมันไปอยู่ข้างนอกมันไปกว้างๆอยู่ข้างนอกนะพยายามให้จิตใจมันอยู่กับตัวเองสังเกตไปเรื่อย จิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนเรารู้บ่อยๆอย่างตอนนี้จิตไม่เข้าฐานเลยดูออกไหมดูออกไหมดูออกครับเออ<ด>จิต<ด>มันไม่เข้าฐานมันนะออกระจายออกไปให้รู้ทันว่าจิตไม่เข้าฐานแล้วก็หายใจไปพูดโธไปโดยไม่ดึงให้จิตเข้านะเวลาเข้ามันเข้าของมันเองถ้าเราดึงเข้ามามันจะแน่นๆก็ไม่ถูกไปฝึกไป ฝึกให้ได้จิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวสบายๆโดยที่เราไม่ได้บังคับนะแล้วถัดจากนั้นเราจะดูจิตได้สบายเลยอะไรแปลกปลอมขึ้นนิดเดี๋ยวก็เห็นหมดอะ่ะถ้าสมาธิเราไม่มีเลยเราก็ดูไม่ออกนะจิตมันฟุ้งซ่านยืนพื้นมันก็มีแต่ฟุ้งซ่านทั้งวันมันดูไม่เห็นเกิดดับหรอกต้องมีจิตเป็นคนรู้สลับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงอย่านั้นถึงจะดี มาจากพัดเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะมาจากยศทรช่วค่ะกากาศน่ารักการค่ะหนูช่วงนี้ลงมาดูคุณแม่แล้วก่อนเข้ากรรมาฐานได้สักสองวันหนูทํากับข้าวกลัวมันจะไม่ร้อนเหมือนกับว่ามันมีสมาธิตั้งอยู่กับการทํากับข้าวพอทอําเสร็จแล้วออพอทําเสร็จแล้วคราวนี้หนูเห็นความคิดของหนูชัดเจนจากเรื่องหนึ่งกระโดดไปอีกเรื่องหนึ่งแล้ว คราวนี้หนูเป็นทุกข์มากหนูก็เลยเดินออกออกมานั่งนอกบ้านคนเดียวแล้วนั่งดูความทุกข์ที่มันกระโดดไปกระโดดมามแต่ว่าหนูมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของการการไปรู้สังขารตัวนั้นที่มันเปลี่ยนเรื่องราวหนูทุกข์มากจนมันมีความรู้สึกว่าหนูรับทุกข์ตัวนี้ไม่ไหวหนูก็เลยเดินกลับเข้าไปในบ้านใหม่แล้วก็เปิดธรรมะฟังก็ได้ยินธรรมะของท่านท่านหนึ่งท่านบอกว่าให้วางเสีย หนูก็เลยต้องทำตามท่านหนูก็เลยวางทุกมันก็เลยหายเสร็จแล้วคราวนี้พอหนูเข้ากรรมฐานนะคะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าหนูไม่อยากมาแล้วแต่ว่ามันถอนตัวไม่ได้ออพอหนูเข้ากรรมฐานพอสองวันก่อนที่จะออกจากกรรมฐานพระอาจารย์ท่านกเทศเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณขันธ์หนูก็ฟังฟังอยู่แล้วคราวนี้ระหว่างฟังเนียร่างกายหนูก็กระตุกไปเหมือนไฟช็อตประมาณสักสิบครั้ง ในเวลาไล่เรี้ยวกันหลังจากนั้นแล้วแสงมันก็สาดเข้าตาหนูตอนนั้นมันประมาณตีห้ากว่ามั้งคะอะไรนะตอนนั้นประมาณตีห้ากว่าแล้วแสงก็สาดเข้าตาหนูทางขวามือมแล้วจิตหนูมันไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนที่ว่าเวลามันจะดิ่งหนูก็รู้แล้วว่าเอออันนี้มันกําลังจะดิ่งลงสมาธิใช่ไหมคะมแต่ตอนนี้มันเหมือนเนียนเนียนยังไงไม่ทราบ ม, มันก็หนูอยากจะใช้คําว่า คล้ายๆว่าขันห้ามันกระจายออกไปข้างหน้าลอยข้างหน้าเหมันกระจายออกไปมันไม่ได้ไม่ได้วางเนาะค่ะแต่แล้วครั้นี้หนูก็รวมจิตเข้ามาก่อนนะตอนนี้จิตของเราแหละกระจายออกไปค่ะดังนั้นจิตมันไม่เข้าฐานจิตมันไม่ตั้งมั่นอาการที่เกิดเนี่ยอย่าเชื่อมันนะค่ะมันไม่ใช่มรรคใช่ผลอะไรหรอกตอนนี้จิตเราคล้ายๆเป็นหลงอยู่ข้างนอกนี้แหละ ย้อนย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองเจ้าค่ะอย่างนี้หนูควรจะไปตั้งต้นทาอานาใหม่ดีไหมคะเย่าใจทิ้งสมาธิน ะ, าะหายใจไปแล้วรู้ทันจิตไปถ้าทิ้งไปแล้วจิตมันจะไปอยู่ข้างนอกแบบนี้แหละเจ้าค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะที่จริงหลวงพ่อเคยตั้งกติกาไว้นะถ้าเรียนสำนักอื่นมาหลวงพ่อไม่สอนให้มันมีปัญหาเดี๋ยวอาจารย์เราโกรธหลวงพ่ออะไรเงี้ย เหมือนเรียนกับใครก็ไปถามคนนั้นคุงค่ะเออเข้าท่าอยู่กราบนวัส ก, การหลวงพ่อสังเกตไหมจิตมันเหมือนลิงครับเหมือนเคลื่อนไหวได้มันวิ่งไปวิ่งมาได้ดูออกใช่ไหมครับนั่นแหละดีนะดูเขาทํางานไปเดี๋ยวเขาก็ปรุงดีเดี๋ยวเขาก็ปรุงชั่วเดี๋ยวเขาก็ปรุงสุขเดี๋ยวเข า, เขาก็าาปรุงทุกษ คอตามรู้ตามเห็นไปเพื่อจะได้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับที่ทําอยู่ก็ถูกแล้วนะแต่มันทําให้มากๆากพอนะแต่ขณะนี้ยจิตไม่ถึงฐานทีเดียวดูออกไหมมันอยู่ข้างนอกออกมานอกหน่อยๆนะอย่าดึงนะครับแค่รู้ทันว่ามันไปอยู่ข้างนอกนะแล้วทํากรรมฐานของเราไปพุโทโธหายใจอะไรก็ทำไปเหอะ เดี๋วมันก็เข้ามาเองพอมันเข้ามาแล้วเราก็ไม่ไปตรึงจิตให้นิ่งเราก็ปล่อยให้มันทำงานเหมือนที่ฝึกอยู่นี้แหละที่ฝึกอยู่นี้ใช้ได้นะแต่สมาธิยังไม่พอสมาธิอ่อนไปนิดหนึง่งดูออเปล่าครับเออนั่นแหละไปทำสมาธิด้วยการทํากรรมฐานอันหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาสมาธิจะเพิ่มขึ้น ดีใจด้วยกลัวด้วยตื่นเต้นด้วยดูออกไหมเจ้าค่ะกลับมาพิธีการเจ้าค่ะดีเพิ่งมาครั้งแรกค่ะฟังซีดีของพ่อแล้วก็ก็พยายามทําตามแต่ไม่แน่ใจว่าทําถูกหรือไม่เจ้าค่ะถูกไปทําอีกถูกแต่ไม่ค่อยนิ่งนะเจ้าค่ะอะไรนะสมาธิน้อยมากเลยเจ้าค่ะน้อยก็ฝึกไปสิพยายามแล้วยังไม่คุ้นพุทโธพุทโธไปนะสงบผู้ช่างไม่สงบผู้ช่างเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะ พุทโธหรือหายใจเพื่อหวังความสงบมันจะไม่สงบหรอกเพราะใจไม่มีความสุขพุทโธเล่นๆพุทโธสบายใจเดี๋ยวมันก็สงบเองความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบอย่าตอนนี้แข็งเกินไปจิตมันแน่นเกินไปเจ้าค่ะดูออกใช่ไหมก็รู้สึกเหมือนกับมันอึดอัดมันเคลื่อนตัวนั่นแหละมันเจออึดอัดเพราะเราไปรวบมันเข้ามาเราจงใจควบคุมมันนะ ไปฝึกต่อไปฟังซีดีหลวงพ่อไปคือตอนนี้ก็อาจเป็นจากจากยูทูบมาเอาลงเป็นเอ็มสามไว้ค่ะเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยเจ้าค่ะเปิดแล้วก็ดูของตัวเองด้วยนะเจ้าค่ะฟังอย่างเดียวไม่บรรลุหรอกค่ะต้องดูของจริงเจ้าค่ะก็ยังยังดูไม่เห็นก็เลยพอดีจังหวะมีแม่ชีมาเข้มาด้วยรู้สึกไหมร่างกายมันกําลังพูดรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าเจ้าค่ะเนี่ยรู้สึกไปเรื่อยเืยแค่นี้เองง่ายๆ ร่างกายมันทำอะไรก็รู้สึกไปจิตใจมันแอบไปทำอะไรก็คอยรู้ไปยิ่ไม่นแอบไปคิดก็รู้ร่างกายมันเคลื่อนไหวก็รู้ร่างกายหยุดนิ่งก็รู้จิตใจหนีไปคิดก็รู้หัดดูไปเรื่อยๆถึงเวลาก็มาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิไปไหว้พระสวดมนต์นะพราได้สมาธิแล้วล่ะขอบคุณเจ้าค่ะคนสุดท้ายนี่อยู่ข้างหน้านี้ ง่ายคนกรุงเทพมาใกล้ไกลแต่ยังดีนะเมื่อก่อนหลวงพ่อรีบแบบเนี้ยหลวงพ่อบอกว่าใครอยู่ไกลไกลค่อยส่งกันบ้านมีคนนึงยกเลยยกก่อนเพื่อนเลยพอส่งกันบ้านเสร็จเราทำมาจากไหนมาจากแปดริ้วมุ้ยฝังเราอยากตีให้ตัวเป็นริ้วๆเลยอยู่แปดริ้วแบบไกลว่าไป การนมัสการค่ะหลวงพ่ออก็คืออหลวงพ่อให้การบ้านเมื่อต้นเดือนกันยาค่ะว่าให้ไปดูพุทโธตอนนี้เนี่ยพอได้การบ้านไปอ่ะมันมันเหมือนมันตีกันอยู่ข้างในอ่ะค่ะว่าเอ๊อแล้วที่เราเคยดูกายมามันมันมันผิดเหรอมันไม่ใช่มันไม่ผิดหรอกมันฟุ้งซ่านค่ะก็ก็ตีกันอยู่อย่างนั้นนะค่ะจนมาทําเมื่อมา ทำเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วค่ะก็เลยไปพุทโธก็เสียเวลาตั้งแต่เดือนกันยาหน้าตีไหมเนี่ยค่ะเพราะตอนแรกก็คิดว่าไม่คงไม่มีหน้ามาส่งกันบ้านหลวงพ่อนั่นแหละพุทโธไปจิตมันดีขึ้นแล้วรู้สึกไหมค่ะก็คือ พอพุทโธไปเนี่ยเห็นจิตไปคิดบ้างพอไปคิดปุ๊บพุทโธก็หายใช่แต่ก็จะมีบางอันที่แบบเหมือนเห็นพร้อมๆกันได้ด้วยอบางทีก็พุทโธอยู่แล้วก็มันไปรู้ร่างกายเหตุดุริยาบทย่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้ใช่เออก็พุทโธไปไม่เลิกนะไม่งั้นไม่งั้นจะหลงไปยาว ที่พุทโธเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้หลงยาวเท่ า, า, านั้นแหละค่ะนี่พอจิตใจเราไม่หลงมาดูกายมันก็จะเห็นความจริงของกายดูจิตใจเพื่อเห็นความจริงของจิตใจภาวนาใจฟุ้งซ่านภาวนาไม่ได้จริงหรอกนะเพราะฉะนัหนูอย่าทิ้งสมาธินะพุทโธไปเรื่อยๆเออแต่ที่ดูอยู่นี้ยังไม่ถึงฐานใช่ไหมคะที่ดูอยู่นี่ดีนะค่ะ พ่อขามีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เนี่ยคือเกิดมาเมื่อปีสองปีหลังเนี่ยค่ะพอเวลาจะใกล้ๆจะหลับแต่ไม่ได้เป็นทุกครั้งนะคะมันจะมีเสียงคล้ายๆตะหวาดหรือตะข้อกออกมาครั้งแรกเนี่ยคือตกใจมากเพราะเสียงดังมากและเป็นแบบเสียงเหมือนผู้ชายก็ เป็นคน อ, อยู่บ้านคนเดียวอยู่แล้วมันจะไม่มีเสียงใครเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยพอครั้งหน้าเจออีกก็พยายามรู้สึกให้เร็วว่าเออต้นตอของเสียงมาจากไหนจนไปพบว่ามันออกมาจากตัวเองอแล้วก็คือยิ่งครั้งหลังๆเนี่ยค่ะคือเหมือนกับมันออกมาจากตรงนี้ค่ะแล้วคือมัน <laughs> แรกๆกลัวหลังๆคือแบบสงสัยว่ามันคืออะไรอะ มันตัวปรุงแต่งของเราไม่ต้องไปกลัวมันนะใจเราสารพัดจะปรุงแต่งได้พอมันปรุงขึ้นมาแล้วใจเราสงสัยให้รู้ว่าสงสัย<ม>เกิดอะไรขึ้นย้อนมาดูใจไม่ต้องไปค้นคว้าสิ่งที่ถูกรู้ให้รู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรมของใจ<ม>ดูใจเป็นหลักไม่ต้องไปดูเสียงที่ตะวาดขึ้นมาแต่เสียงมัน มันเป็นเสียงที่ไม่น่าจะเป็นเสียงของเราเลยอะค่ะก็เลยกลัวว่ามันมีอะไรอยู่ก็คิ่าคงจะเป็นกสิงคนั่หละกิเลสมันสิงอยู่คก็คิดว่าคงจะเป็นกิเลสสิ่งนั่นแหละกิเลสมันสิงไม่ใช่ผีไปโทษผีเสียสถาบันผีมนเดี๋ยวผีประท้วง้ะันก็รู้สึกไ้มใจตอนที่กัตตะกีก็ไม่เหมือนกันค่ะสบายขึ้นะตอนแรกกดมากเลยค่ะ ตอนนี้ก็ยังมีกฎนิดหน่อยแตบบ่ว่ามันดีขึ้นไปกับบ้านไปขอบพระคุณมากค่ะ